พากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึ ก, กจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เวลาที่เราทำการทำงานภายนอกไม่ใช่เวลาหยุด ทำธุระทุกอย่างภายนอกให้นึกว่าบัด น, นี้เราจะพักผ่อนทาง จ, จิตใจเราจะทำใจให้สงบจากไม่คิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วจากไม่คิดส่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเราจะรวมกำลังจิตไทยตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้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 ไม่มีทางสงบระงับลงได้ในมันก็เหนื่อยแหละเอาไปเอามาใจนี่ก็อ่อนแอลงใจแบบนี้แหละมันตกเป็นาธาตุของกิเลสตัณหานะ่ะให้พากันเข้าใจตกเป็นาธาตุของบาปกรรมความชั่วต่างๆดังนั้นเนี่ยในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบ ร, ริษัทฝึกกิจนี้เองนะ พิธีฝึกก็คงรู้กันอยู่แล้วนะแนะนำกันมาอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเสียก่อนเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาเอาเป็นที่พึ่งทางใจก็พระคุณทั้งสามนี่แหละรวมลงแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนานะ ไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นหรอกดังนั้นการที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรานึกถึงพุทธศาสนานั่นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจหรือเรารับรู้พระคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีได้ฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้ว นี่ต้องให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ใจที่มันชอบคิดเล่ล่อนไปต่างๆานานานั่นเพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในปัจจุบันนี้ตนเองไม่ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองหมายคขามาอย่างนั้นเหตุทันจิตนี้มันจึงคิดสายไปหาที่พึ่งบัา น, นี่นะหาที่อาศัยสุดแล้วแต่มันชอบใจจิ่งใด มันก็คิดปรุงแต่งไปสิ่งนั้นเงินไม่มีใช่มันก็คิดทาเงินอย่างนี้เนะี่อบ้านถาวรไม่มีจะอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมาทำอย่างไรหนาะถึงจะได้สร้างบ้านท่าวร อ, อยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศเหมือนอย่างคนอื่นเขามันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียง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 มันถึงยุดติดลงได้ไม่ต้องคิดอะไรให้มากสำหรับเวลานั่งสมาธิภาวนาเนี่เราต้องหยุดคิดเรื่องหมูนั้นถ้าจะคิดก็ในเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็จึงคิดอ่านการงานต่างๆที่ที่เป็นหน้าที่ที่เราจะพึ่งกระทำคิดเอาแต่เฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นเรื่องใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการกระทำ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 ความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดพุ่งไปมากมายเรื่องมันน่ะเนื่องนั้นแหละเมื่อมาคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตลงสู่ความสงบที่กว่า น, นี้เมื่ออธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งแล้วน้อมจิตรงน้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าความคิดเนะี่ยมันส่งออกมามันพุ่งออกมาจาก ลมหายใจเข้าออกนี้เองเลยดังนั้นเมื่อเราน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอจิตที่มันจะคิดพุ่งไปเหมือนเดิมมันมันไม่แล้วไม่แล้วมันมีสติคอยควบคุมไวอยู่แล้วอย่างนี้นะนี่แหละวิธีที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันคิดซ่านไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆหมดนั้น่ะก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไป น้อมสติยังเข้าไปหาความรู้นูนหายใจเข้ามันก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอกลุ่นเราหายใจออกไปมันก็รู้นี่ก็ต้องสันนิฐานดูอย่างนี้แหละต้องสันนิฐานดูมันถึงได้ความแล้วว่าจิตมันอยู่ตรงไหนอะมันก็รู้ได้แหละรู้ได้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะเมื่อรู้ว่าความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนเราก็สติก็ยังเข้าไป หาความรู้อันนั้นนะนเป็นอย่างนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้ น, นั้นแล้วความคิดก็หยุดลงที่มันมันไม่หยุดคิดนั้นเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันอ่ะมันมีช่องโอเหตุนั้นมันถึงคิดบนในจิตนั้น่ะให้เข้าใจนี่แ่ะจุดมุ่งหมายของการภาวนานเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี้นะ ฝึกสติสัมปชัญญะนี้ให้มันยังลงไปมันถึงจิตอ่ะอย่างเช่นปฐมฌานอย่างนี้นะที่พระศาสดาทรงสแสดงไว้นะปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้นะคือวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาวิตกคือย ก, กจิตขึ้นสู่อารมณ์เราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์บนี้นี่เนะ เช่นอย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าวิตกหละพอวิตกแล้ววันนี้ก็วิจารณพอจับลมหายใจเข้าออกนี่ก็วิจารณ์วิจารณ์ดูว่าชีวิตนี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแปลว่าตายนี่คําว่าวิจารณ์นะอ่านั่นเองก็มองเห็นได้เลยว่าอายุของคนเรา มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจารณ์ดูชีวิตที่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยวันนี้มาคำานึงถึงความดีของตนมีอะไรบ้างที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเรือนอย่างนี้เออทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทำบาปอย่างนี้นะ แล้วก็ได้เขาแสดงความเคารพกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างนี้พอมองเห็นว่าตนนั้นมีคุณความดีอยู่ในใจมีบุญมีกุศลได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในใจอยู่อย่างนี้เมื่อก็เกิดปีติขึ้นในบุญกุศล่ะในความดีของตอนน่ะ เห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่ม mm ีบาปมีโทษอย่างนี้นะเห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นเมื่อมาเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็กระทำความรู้เท่าปีติอย่าอย่าอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตพุ่งซ่านไปอย่างนั้นะนี่ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มัน เกิดความยินดีอย่างรุนแรงนะความยินดีในบุญในกุศลก็ดีถ้ามันยินดีเกินขอบเขตมันก็จะจิตฟุ้งส่้นไปอีกแหละจะไม่ส ง, งบอีกเหมือนกันดังนั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วก็มีสติสมบัติเสประคองจิตประคองปีติอันนั้นไว้ไม่ให้มันเกินขอบเขตแล้วนี้ไปไปปีติมันก็ส ง, งบลงมานี่ เมื่อปีติสงบลงเกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาอะไรแนี้อิ่มอารมณ์ต่างๆแล้วไม่ปรารถนาจะคิดไปทางไหนแล้วเพราะว่าใจมันสบายแล้วนี่ใจมันเ อ, อิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วนี่เป็นยางไ น, นเมื่อเพ่งความสุขอ น, นั่นอยู่ก็เห็นว่าความสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน ะ, ะมันเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างนี้มันก็มีเสื่อมไปได้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิ่บเ อ, อิบอิ่มใจเอยนี้ตลอดเวลาไม่ใช่เราเพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปไปม า, มาความสุขอันนั้นมันระ ง, งับลงมาหนิจิตมันก็เป็นเอกคาตาแล้วแบบนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากไอความที่ว่ามีความสุขหรือคําที่ว่าปีติอันนั้นก็ระ ง, งับไปมาหนิ จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านลววาวเอกคาตานั่นผลสุดท้ายการฝึ ก, กจิตตามแนวปถมฌานอย่างว่านี้นะมันก็มาลงเป็นเอกกคาตานี่เนี่ ย, ยทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นดังนั้นการที่เราจเจริญอนาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการ บําเพ็ญปฐมฌานนั่นเองเนี่ยแต่เมื่อเรามีอบายแยบคายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่เนี่ยอ่าให้พึ่งพากันธนิฐานเอาไว้วิตกก็ยกขิดขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกขิตขึ้นกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองอวิจารณ์ก็คือวิจารถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ในลมหายใจเข้าออก ถ้าลมหายใจหยุดลงไปเมื่อใดก็าตายเนี่ยถ้าเรียกว่าวิจารณ์ให้มันถูกทางนะออวิจารณ์ในพระกรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่วิจารณ์ออกนอกไปนอกเลือกอันนั้นวิจารไปข้างนอกไม่ถูกต้องให้วิจารณ์อยู่แต่ในห่วงของกรรมฐานนี่เท่านั้นจิตใจนี่มันจึงจะรวมเป็นเอกะขะตาลงได้ในตอนสุดท้ายนะ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 จ้เมื่อใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ได้นานนะ่ะการทําจิตให้เป็นเอกคตาลงอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่ามันเป็นผู้มีศีลมาก่อนแล้วอศีลเป็นเครื่องขจัดบาปอกุศลให้ระ ง, งับไปจากกิจใจมาแล้วดังนั้นเมื่อใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามันก็ไม่มี บาปอากุศลอะไรมารบ ก, กวนจิตใจอ่ะเพราะนั้นจิตนี้มันจึงค่อยสงบอยู่ได้นานแบบ น, นี้นะเมื่อจิตสงบเป็นเอกคตาอยู่ได้อย่างนั้นหากว่าเมื่อบำเพ็ญฌานขั้นที่สองต่อไปท่านว่ามีแต่วิจาร์อย่างเดียววิตกไม่มีก็หมายความว่ามันชำนานแล้วนี่ อย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพอ น, นั่งสมาธิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮนะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานนะ้อย่างนีนะ้ไม่ได้วิตกละ่ะก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลย <c oughs> เมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะวิจารไปมณิสิตสี่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นแหละผลสุดท้ายในจตุทชานทั้งสี่นั้น จะตุทะฌานที่สี่นั้นมีอุเบกอะมีเอกะกตตากับอุเบขาเท่านั้นเข้าสมาธิไปแล้วจิตเป็นเอกะกตตาแล้วเพ่งเอกคตตานั้นเข้าไปมั่งมากเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยมันเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้นนะ่ะจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอะแต่เพียงแค่ ได้ผสมชาญนี่ก็ยังดีแล้วนะอ่าก็ยังดีอ่ะนั่นแหละพราะนั้นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึ ก, กว่ามันเหลือวิสัยแต่พูดถึงเรื่องชาญแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะเรานี่ไม่มีวาสนาหรอกอย่างโน่นอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าชาญได้แล้วมันมันไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากอะไรนะ ชานังแปลว่าความเพ่งนี่คาว่าเข้าชานเข้าชานที่ท่านกล่าวไว้หมุอนั้นก็หมายความว่าตั้งสติเพ่งอารมณ์เข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปเรื่อยๆสติก็ยังลงไปดังที่แนะนํามาตอนต้นนั่นแหละ ย, ยังลงไปจนถึงสติมันยังเข้าถึงจิต ได้แล้วนะมันก็เป็นอเวกขามเป็นเอกคตาลงได้เมื่อจิตไม่คิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตนี่นะเมื่อมันคิดแล้วมันก็เป็นสองเป็นสามไปอ่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแปลว่าพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่นะให้เข้าใจความหมายเอาอย่างรวบรัดอย่างนี้ทําอย่างไรจิตมันจะหยุดคิดแล้วก็เพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปอะอาศัยการเพ่งนี่แหละ จิตมันจะหยุดคิดลงได้นะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดท้อถอยไม่ไม่สามารถจะเพ่งอยู่ได้อสอย่างนี้ลนะจิตไม่มีทางสงบเลยมีแต่มันจะคิดลอยไปนั่นแหละดังนั้นอย่าไปท้อถอยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปถ้ามันเผลอก็ตั้งสติไหมมันเผลอก็ตั้งสติไหมอย่างเนี้ย ไม่ท้อถอยเอาไปเอามาสติมันกล้าเข้าไปแล้วมันความเผลอมันห่างเต็มทีแล้วแับนี้อ่าจิตมันก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญกรรมฐานใดไๆตก็ช่างเนี่ยในกรรมฐานสี่สิบข้อนะนะั้น่ะมันก็เกี่ยวกับการเพ่งนี้ทั้งนั้นเลยให้เข้าใจแม้ว่าผู้จะบริกรรมพุทธโธอย่างนี้ก็เพ่งและเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้นะ เฮงลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี่จิตก็ น, นึกพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี่เลยฮะฮ่าฮาว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสร็จแล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธน่ะนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนูน่นว่าเป็นเช่นนี้แล้วใจสงบลงไม่ได้เลย ดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคําว่าชานว่าชานเนี่ยแปลว่าความเพ่งนะถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จิตก็ตั้งได้พอจิตตั้งเรยอธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกายดังกล่าวมาแล้วนั่นะเอาเป็นที่พึ่งเมื่อเมื่อใจมัน น้อมสู่คุณพระรัตนกรา ย, ยางนี้เอาเป็นที่พึ่งที่เลือกแล้วมันมันก็จะไม่พุ่งไปทางอื่นมากมายแล้ววันนี้มันเห็นที่พึ่งแล้วนี่มันรู้ว่าตนนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นได้ว่าจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนไกรนี่ไม่มีมันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วฮะนี่พอมันมองเห็นอย่างว่านี่แล้วมันมันก็ไม่ได้คิดตายไปแล้ววันนี้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 ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของภายนอกเลยนี่เมื่อเรามาเห็นสงเคราะห์หรือว่ารวมคุณแก้วสามประการในลงในจิตนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็สงบอิ่มอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้มันจะพุ่งไปไหนแบบนี้นั่นเนี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิเศษ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 อันนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอันหนึ่งอย่างนี้แล้วคุณเหล่านั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นเลยเพราะว่าใจเป็นผู้คิดสร้างขึ้นนี่เมื่อจิตเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะไปอยู่ที่ไหนอะอะไรอะไรก็สงเคาะลงที่จิตนั้นเลยความดีทั้งหลายเมื่อสงเคาะลงนั้นเลย จิตมันมีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ดิ้นรนไปทางไหนอ ะ, อะให้พึ่งเข้าใจกันอันนี้แหละควรพากันสำเนียกให้ดีแต่ว่าบุญคุณเหล่านี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่แหละสำหรับคนผู้ที่ขาดปัญญาขาดสติแล้วมันเชื่อยะ เพราะว่ามันไม่มีรูปร่างสีสันวันนะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนไกลก็ดีมันเป็นแต่เพียงธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ฉลาดเพิ่งแนะนําว่าเมื่อเราระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กระวนกวายไปทางอื่นอย่างนี้นะ ก็ น, นั้นแหละนั่ชื่อว่าบุญคุณมันเกิดขึ้นในดวงจิตนั้นแล้วนี่มันต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างว่าอันนี้แล้วมันก็ไม่ต้องสงสัยลนะบุญไปยังไงหนอคุณเป็นอย่างไรหนอไม่สงสัยแล้ววันนี้นะก็ยังว่าอยู่แล้วว่าบุญคุณไม่มีรูปร่างมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่ต่างหากนะเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกของจิตนี้ ดังนั้นให้พากันเพ่งอยู่เมื่อรู้ว่าจิตของเรามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุนนั้นแล้วก็เพ่งความรู้สึกอ น, นั้นอยู่ประคองความรู้สึกอ น, นั้นไว้มันก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่มีถอนออกไปง่ายๆดังกล่าวมานะพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อประกอบกิจสำหรับชีวิตของเราเองความจริงแล้วนะการทำอะไรต่ออะไรก็เพื่อจิตตรงเดียวนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นทำชั่วก็เพื่อจิตตรงนี้ทำดีก็เพื่อจิตตรงนี้ทำชั่ว มันเข้าใจว่าเป็นความดีนึกว่าทําลงไปแล้วตนจะได้ความสุขสบายมันถึงลงมือทําถ้ามันรู้ว่าทําชั่วนี่มันให้ผลเป็นทุกข์เช่นนี้แล้วมันไม่ทําหรอกคนเราทําดีก็เหมือนกันถ้ามันรู้ว่าการทําดีนี่มันให้ผลเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่ทําเลยอ่ามันเป็นยังไงเนี่ย มันเห็นผิดไปถ้าผู้ใดเห็นว่าการทำดีมันให้ผลเป็นสุขจริงเห็นด้วยปัญญาของตนแทๆ้ๆเนี่ยนี่มันก็ทำความดีได้การทำความดีมันก็มีหลายขั้นตอนทำความดีเบื้องต้นก็ให้ทานทำความดีในทรามกลางก็รักษาศีลทำความดีในขั้นสุดท้ายก็ได้แก่ภาวนา น, นี่การทำความดีมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้แหละจะทำไหมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราทำความดีก็เพราะว่าความดียังไม่เต็มเมื่อความดียังไม่เต็มก็คนทุกไปไม่ได้อีกในหนึ่งมันก็มีความชั่วเป็นศัตรู คอยจองล้างจองผลานอยู่เสมอเพรอว่าผู้ใดท้อถอยการทําความดีเข้าไปเบื่อหน่ายต่อการกระทําความดีความชั่วมันก็แทรกขึ้นมาได้ทันทีเนี่ยสาเหตุที่พระพุทธเจ้าจะสอนให้คนเรากระทาความดีให้ติดต่อกันไปสม่ําเสมอไป ความชั่วมันถึงจะไม่ได้ช่องทุกคนนั้นรักตัวเองแต่บางคนก็รักไม่ถูกบางคนก็รักถูกมันเกิดขึ้นกับความรู้ความเห็นภายในจิตใจนูน่นเมื่อใจมันเห็นผิดแล้วมันก็นำตัวไปกระทำความชั่วลงไปเมื่อใจมันเห็นถูกมันก็นำตัวเองให้กระทำความดีไป อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานี่ผู้นับถือบริศาสนามันก็ต้องมีความเห็นอย่างนี้มันจึงชื่อว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแท้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเห็นก็เห็นว่า อันกิเลสมักรองอยู่ในจิตใจนี่นะมันเป็นสิ่งที่ควรละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมาสะสมให้มันมากขึ้นเพราะว่ากิเลสนี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่นี่บุคคลไปสะสมกิเลสไว้ในใจกิเลสมันก็ก่อทุกข์ให้แก่ผู้สะสมนั้นนี่ถ้าหาว่ามันเห็นอย่างนี้ในใจผู้ดใดเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ท้อถอยเลย ในการที่ภาคเพี้ยนพยายามลากกิเลสนี้ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ภาคเพียนพยายามแหละมีแต่จะสะสมกิเลสให้มันหนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นแหละทุกคนให้ปรับปรุงความคิดความเห็นของตนให้มันถูกทางถ้าความเห็นนี่ไม่ถูกทางแล้วแน่นอนแหละมันดําเนินไปไม่ถูกเลดําเนินไปไม่เป็นไปเพื่อ ความพนทุกไปได้เหมือนอย่างคนเดินทางอย่างนี้แหละคนเดินทางเนี่ยอาศัยสายตานี่จ้องมองไปหน้าก่อนแล้วมันถึงเดินไปได้ถ้าอย่างคนตาบอดอย่างนี้มันต้องคำคำไปอยูงนั้นเลยไม่ได้สะดวกเลยคนตาบอดเดินทางต้องมีไม้อันหนึ่งชี้ไปข้างหน้าว่ามันมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้านั้น สำหรับผู้มีตาดีแล้วไม่ไม่อย่างนั้นไม่ต้องไอ้อะไรเลยต้าใสสายตาจ้องมองไปข้างหน้ามันเห็นว่านี่ทางราบลื่นมันก็เดินไปถ้าเห็นว่าทางนี่มันมีผวกมี้ําไปไม่ได้มันก็ไม่ไปมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเรานี่เมื่อมันไม่มีปัญญา อ, อย่างนี้นะมันมืดตื่มองไปไหนก็ไม่เห็นมองหาบุญก็ไม่เห็นมองหาบาปก็ไม่เห็นอย่างนี้มันก็เดินไปไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นมองหาบุญไม่เห็นก็ทำบุญไม่ได้มองหาบาปไม่เห็นมันก็ละบาปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้อบรมจิตใจนี่ให้มันเกิดปัญญา ขึ้นมามันจะได้มองเห็นเหมือนยังคนตาดีเนี่ยนะมองเห็นถนนทางราบเรียบเดินไปได้สะดวกสบายไม่มีอันตรายใดๆนี่ความเห็นภายในใจิตใจของคนเรานี่ถ้ามันเห็นถูกทางมันมีปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดำเนินไปได้สะดวกสบายเลยมันก็นำกายวาจานี่ ดำเนินไปได้โดยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษอะไรอะ่ะเป็นงั้นเพราะว่าสิ่งใดที่มันผิดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มันก็ไม่เดินนหะไม่ดําเนินตามเนะี่ยสิ่งใดที่มันถูกต้องที่พระศาสดาทรงอนุญาตไว้หรือทรงแนะนําให้ลงมือกระทํามันก็กระทาในสิ่งนั้นนี่เรียก ว, ว่า ผู้มีปัญญาตาใจใจสว่างใจมองเห็นหนทางพ้นทุกได้ดังนั้นเนี่ยการที่บุคคลจะรู้จักหนทางที่ถูกต้องได้ก็จะต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ้างการภาวนาทําใจให้สงบระ ง, งับนี่แหละมันถึงจะเกิดปัญญาได้นี่หมายถึงปัญญาในทางธรรมสำหรับมามองดูชีวิตของตัวเองนี่นะ ปัญญาในทางโลกจำตามตำหรับตลาต่างๆนั่นมันมองดูชีวิตของตัวเองไม่ถนัดหรอกรู้อยู่บ้างแต่ว่ารู้ไม่รอบรู้ไม่รอบครอบถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้รู้แจ้งในชีวิตตามเป็นจริงได้เพิ่งฟากันเข้าใจล้วจะ นำชีวิตจิตใจอันนี้ให้พ้นทุกไปได้ก็เพราะปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่เองเนี่ยเนื้อสมาธิมันจะมีได้ก็มันมาแต่ศีลอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วการสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์นั่นน่ะมันเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สมาธิเพราะนั้นทุกคนอย่าไปลืมไม่ใช่ว่าจะมานั่งภาวนา เพ่งแต่จิตมีให้สงบแล้วเรื่องความประพฤติทางกายวาจาเราไม่สัมรวมอย่างนี้บางแห่งเพื่อนก็เห็นกันว่าศีลไม่สำคัญสำคัญที่ธรรมะทีการทำจิตใจให้รู้แจ้งในธรรมะนี่ในสื่าเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นทางลัดทางตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ความเห็นบางแห่งบางที่ ทิ้งโย่ก็ว่าความเห็นช่นะมันจะเกิดได้นะมันต้องชําระบาปออกจากจิตใจก่อนถ้ายังมีบาปมาหุ้มห่อจิตใจอยู่ไม่มีทางหรอกมันจะไปรู้แจ้งเลยนี่โดยเหตุผลน่ะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อบุคคลไม่สํารวมในศีนนลลาไปทําบาปเมื่อทําบาปอยู่จะไม่ยอมให้บาปบาปนั้นมันมาให้ผลทางด้านจิตใจ ใครไปป้องกันได้ล่ะตนทําบาปด้วยกายวาจาแล้วจะไม่ให้บาปนั้นมันให้ผลทาง จ, จิตใจอะจะไม่ให้ใจเศร้ามองขุนมัวพุ่งจ่า น, นําคาญอย่างนี้ไปห้ามได้เหรอมันเป็นางา น, นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนใ้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องลงมือทะต้องสํารวมเช่นอย่างว่าการที่มานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะ เมื่อ น, นั่งสมาธิเข้าไปก็ต้องตรวจดูความประพุติทางกายวาจาที่ตนดำเนินมาสมมติว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะตนได้สำรวมกายกับวาจานี้ด้วยดีแล้วหรือไม่ผิดพุทธบัญญัติเหรอไม่ล่วงพุทธบัญญัติเหรอการกระทำก็ดีการพูดก็ดีอย่างนี้นะมันก็ต้องทบทวนดูก่อนแล้ว ถ้าทบทวนดวงถ้ารู้ว่าตนได้ร่วงสิขาบทข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นกระลือหัดก็ต้องสมาทานเอาด้วยตนเองเนะี่ยในเวลาเช่นนั้นนะต้องสมาทานเอาด้วยตนเองต้องอธิษฐานใจข้าพเจ้าจาักไม่ร่วงเกินสิขาบทข้อนี้ต่อไปอีกแบนี้นะข้าเจ้าข้าพเจ้าจาักสำรวมระวังและข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะจักไม่ร่วงนะ อย่างนี้ท่านเรียกว่าสำปัตตะนวิรัติวิรัติละเว้นโดยตนเองโดยไม่ได้สมทานกับผู้อื่นเมื่อตนอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็สังวนระวังต่อไปไม่ใช่ว่าจะไปอธิษฐานใจละเว้นแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นแล้วเมื่อออกจากสมาธิภาวนามาแล้วไปล่วงอีก เวลาไปนั่งภาวนาไ ป, ไปอธิษฐานเว้นอีกอย่างที่มันไม่ได้แล้วก็เมื่อมองเห็นว่ามันทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นโทษแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นนะต่อจากนั้นก็สํารวมไปเรื่อยๆเมื่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็สําสรวมไปเนีย่ยเช่นนั้นแหละบาปอากุศลมันก็จึงไม่ครอบงําจิตใจได้ ใจมันก็จึงสงบลงได้เมื่อเราน้อมจิตลงสู่ความสงบนั้นแ่ะมันก็เยมายากกับบาปกรรมนี่แหละคนเราให้คิดดูให้มันดีบาปนี่มันเป็นทั้งมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่อย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหะอย่างกลางก็ทําใจเศร้าหมองขุนมัวเช่นอย่างวันนั่งภาวนายล้วไปคิดกโกรธคนนั่นโกรธคนนี้ ไปอย่างนี้นะมันก็ใจมันก็เศ้าหมองสิหรือไปคิดรักคนนั้นรักคนนี้อย่างนี้นะใจมันก็เศ้าหมองหรือว่านั่งภาวนาเอาแต่ง่วงเป็นประมาณปนะรอยให้ตะครองง่วงครอบงำกายจิตอยู่อย่างนั้นอา้าอันนี้ก็จิตเศ้าหมองกันของง่วงนี่นะแต่นั่งภาวนานั่งนั่งแล้วมีแต่คิดฟุ้งไปตามอารมณ์ต่าง ที่มันเคยยึดเคยถือมาอยู่งั้นไม่ไม่ยอมหยุดคิดอย่างนี้นะอื้ใจมันก็เศร้าหมองแล้วมันจะผ่องใสได้ยังไงอ่ะเพราะอารมณ์หรือว่าเรื่องที่คิดไปนั่นมันดีก็มีชั่วก็มีอย่างนี้แหละน้ารักก็มีหน้าช่างก็มีเรื่องราวต่างๆของคนในโลกอันนี้เนะี่ยยังนั้นเนะ่ะมันจึงทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวนนั่นมันคิดมากบางทีมันก็สงสัยลังเลคันเมื่อ ความสงสัยครอบความจิตใจนันใจก็มัวหมองเหมือนกันเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันทางถูกต้องหรือไม่นอหรือไม่ถูกต้องนออย่างงี้นะลังเลในใจอยู่เนี่ยฉอย่างว่าเราเข้าสมาธิอย่างนี้นะนี่เราเข้าสมาธินี่ถูกต้องหรือไม่นอถ้าหาว่าวิโตวิจารยอยู่เนี่ยจิตสงบไม่ได้เลยเอาไปามาจิตก็เศร้าหมอง เนี่ยบาปบาปชั้นกลางนะทำให้ใจเศร้าหมองแล้วก็สงบลงไม่ได้เอเดนท่านยิงเรียกว่านิวรณธรรมแปลว่าทมกั้นจิตไม่บรรลุูุสนคุณงามความดีได้ให้พึ่งพากันกำจัดมันออกไปเมื่อหากว่าผู้ใดละบาปอย่างหยาบฮั่นใดมาแล้วมันก็มาคล้องอยู่บาปอย่างกลางนะ ก็ต้องพยายามกำจัดมันออกไปอย่าให้มันมาครอบงำจิตใจได้เมื่อเช่นนั้นแล้วนั่งภาวนาอยู่กี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลแทๆ้ๆถ้าหาว่าพวกกำจัดนิวรณ์ห้าประการนี้ออกไปจากกิจได้ได้ยอย่างนี้มันก็ได้ผลเลยจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่งอ่ะอ่า เมื่อจะนั่งไม่นานมันก็มันก็สงบลงได้ถ้ากำจัดนิวรณนน์นี่ให้ระ ง, งับไปได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้ากำจัดนิวรณ์นี่ไม่ได้แล้วนั่งนานเท่าไหร่ก็จิตสงบลงไม่ได้เลยให้พึงเข้าใจให้มันชัดๆดังนั้นเนะี่ยถ้าพิจารณาดูแล้วนะ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากลําบากจนเราไม่สามารถจะทําได้ก็เป็นสิ่งที่ อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้เพราะว่านิวรหรือ ว, ว่ากิเลสดังกล่าวมานี่นะมันเกิดขึ้นกับดวงกิจนี่มันไม่ใช่มาแต่ข้างนอกนี่มันต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นจากดวงกิจนี่อย่างนี้เราก็มาเพ่งกิจนี่เป็นอารมณ์อยู่ถามมันจะง่วงอย่างนี้มันก็ยกกิจให้สูงขึ้น อย่าให้จิตมันอ่อนแอลงกำหนดทำจิตให้มันเข้มแข็งขึ้นไว้เช่นนี้แล้วความง่วงมก็ครอบงำไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยแม้ความรักความชังความพุ่งซ้านต่างๆก็เหมือนกันเมื่อเราทำจิตให้เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันไม่ให้มันวิตกวิจารไปแล้วมันก็ระงับลงได้นี่มันอยู่ที่มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่นะมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะ เมื่อเรายกกิตนี้ให้เข้มแข็งกล้าหาญขึ้นตั้งมั่นลงไปแล้วมันมันก็ยุติลงได้เรื่องกิเลสอย่างกลางที่ว่านี่นะมันก็ครอบงาจิตไม่ได้ดังนั้นอย่าไปทำตนเป็นคนอ่อนแอภาวนาเนี่ยต้องทาตนให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญแล้วทำความปีติอิ่มใจในคุณพระัตนไกลแก้วสามประการนั้นเอาเป็นที่พึง่ง เช่นนั้นแล้วก็ใจสงบลงได้มันสำคัญที่การทำใจให้สงบนี่แหละเรื่องการเจริญปัญญาก็ไม่ลำบากถ้าหากว่าใจสงบลงได้ฮนะถ้าทำใจสงบลงไม่ได้แล้วจะไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้ให้พึงเข้าใจเมื่อใจสงบลงได้แล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งในอ น, นั่นแหละ พิจารณาทุกข์มันก็เห็นทุกได้ตามเป็นจริงเลยทุกกายทุกใจนี่มันเห็นได้มันไม่ใช่ลี้ลับอะไรนี่ทุกกายกายไม่เที่ยงสุดโทมไปโรคภัยเบียดเบียนนี่กายนี่มันก็ตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ไม่ได้เลยเพราะโรคภัยมันบีบคั้นเอาความแก่มันบีบคั้นเอาทุกใจก็เพราะว่าปล่อย ตนเองให้ไปสร้างกิเลสมาเผาตัวเองสร้างความรักสร้างความชังนี่สร้างความหลงความเมามาครอบงาจิตใจตัวเองกิเลสเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นของเย็นน่ะเป็นของร้อนนี่นั่นแหละจึงว่าทุกข์ใจมนนเมื่อมาสอนใจนี่ให้มัน ละความรักความชังความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายต่างๆลวนี้นะระงับกิเลสเหล่านี้ลงได้แล้วความรู้แจ้งมันก็เกิดขึ้นมามันก็มาเห็นแจ้งในขันธ์ทั้งห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงได้ด้วยปัญญามเมื่อมันเห็นจริงได้ด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อแล้ว เบื่อนายตอกิเลสอันมาสร้างขันหานี้ให้อยู่อาศัยอ่ะกรรมกิเลสนั่นแหละมาสร้างให้อยู่อาศัยขันหานี้นะความรักความชังนั่นแหละเป็นมูลเหตุอ่ะเมื่อมันรักแล้วมันกัดใจมันก็ผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนรักนั้นการที่มันจะไปรักรูปเสียงภายนอกนั่นมันก็รักขันหานี้แหละก่อน นี่ให้ให้ย้อนเข้ามานี่อย่าไปเห็นแต่ว่ามันไปเที่ยวรักลูกเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสภายนอกนุ่นอย่างเดียวอะเมื่อมันย้อนมาว่ามันเพราะมันมารักขันห้านี่เนี่ยความรักอันนี้มันจึงลามปลามออกไปข้างนอกอย่างนี้นะเมื่อมาปล่อยวางความรักในขันหานี่เสียไม่รักไม่ชังเลยขันหานี่ยอวางกลิ่นให้เป็นกลางต่อขันหานี่แล้ว มันก็ไม่รักไม่ชังไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นนะ่ะมันก็วางใจได้เอ่มันเป็นอย่างนั้นนะ่อันนี้แหละเรื่องวิปัสสนานะมันต้องเห็นแจ้งจริงๆนะเห็นแจ้งในใจน่นว่าขันหานี้ไม่ควรยึดไม่ควรถือเพราะว่ามันไม่เที่ยงขืนยึดถือไว้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันแปรปวนไปอยู่เสมอมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอันนี้นะ ความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันจะเป็นไปได้มันก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญานี่สำคัญนะขณะที่เราวิจารณ์หรือพิจารณาอยู่นั้นจิตก็ตั้งมั่นอยู่ได้อย่างนี้นะไม่วอกแวกไปทางอืน่นนี่มันจึงสามารถรู้แจ้งได้ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าในขณะพิจารณาอยู่นั้น จิตมันพลิกไปพลิกมาอยู่เนี่ยมันมันจะไม่สามารถจะรู้แจ้งได้เลยเดี๋ยวมันก็ไปได้อารมณ์อื่นน่นเข้าอย่างนี้นะเดี๋ยวก็วกมาหาเรื่องนี้อย่างนี้มันมันรู้แจ้งไม่ได้ถ้าไปอย่างนั้นนะให้พึ่งเข้าใจเมื่อเราเพ่งดูร่างกายอย่างนี้ก็ให้มันเห็นแต่ร่างกายนี่อยู่อย่าอย่าให้มันไปเห็นเรื่องภายนอกนูนอย่างนี้นะถ้าเราเพ่งดูนามมาทำอย่างนี้ เพ่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็ให้มันเห็นแจ้งในนมามมาทำสี่ประเภทนี่ชัดเจนลงไปอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงจะเป็นไปเพื่อความเบื่อความน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความยึดความถืออในขันธ์ห้านี่ได้เมื่อคลายเมื่อปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้แล้วก็ปล่อยวางสิ่งภายนอกทั้งหมดได้เลย ไม่มีปัญหาอะไรมันมาสำคัญมาหลงไหลยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่แหละจิตอันนี้นะดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากพารภาเพียรพยายามไปทําสินให้บริสุทธิ์ให้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยให้จิตสงบเป็นสมาธินิวรทั้งห้าจะดับลงเมื่อทำนิชํนานาญในการทําความสงบจิตได้แล้ว มันก็ชวนให้เกิดปัญญาและเจริญปัญญาต่อไปประสงค์รู้แจ้งชีวิตนี้ตามความเป็นจริง